หมายเหตุพึงสังเกตว่าในแผนพังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นได้แสดงหมวดธรรมะสำคัญสองหมวดคือโปรมมิหารสี่และสังหาวัตถุสี่รวมไว้กับองค์มรรคสามข้อคือโปรมมิหารสี่อยู่ในฝ่ายสัมมาสังกปะและสังหาวัตถุสี่อยู่ในฝ่ายสัมมาวาจาและสัมมารกรรมันตะการแสดงหลักการนี้มีความประสงค์สาคัญ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 แต่ความจริงพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นคุณธรรมประจําใจเป็นคุณภาพจิตหรืออยู่ในระดับความคิดเนื่องในสัมมาสังคัปปะการฝึกเจริญพรหมวิหารก็รวมอยู่ในหมวดสมาธิหรืออาธิจิตตสิกขาด้วยเหตุนี้พรหมวิหารสี่จึงจัดเป็นกรรมฐานหมวดหนึ่งในจํานวนกรรมฐาน40คือเป็นเรื่องของจิตตาภาวนา ดูได้จากคำพีวิสุทธิมที่มักเป็นต้นส่วนในขั้นปฏิบัติการมีสังหาวัตถุสีมารับช่วงทาหน้าที่ต่อจากโภมวิหารทำให้มีการแสดงออกทางสังคมถ้าจะใช้โรมวิหารเช่นเมตตากับการแสดงออกภายนอกก็ต้องเอาเมตตานั้นไปประกอบการกระทำเช่นพูดว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตา วจีการประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นแต่ลำพังเมตตายังไม่เป็นการกระทําขั้นปฏิบัติการโดยตัวของมันเองทานปิยาวาจาอัฏฐจาริยาเป็นต้นในสังขาวัตถุซึ่งอยู่ฝ่ายศีลจึงจะเป็นปฏิบัติการทางสังคมความเข้าใจในหลักการนี้จะช่วยให้ชาวพุทธเองใช้อยู่หรือปฏิบัติหลักธรรมต่างๆ ได้ถูกชิ้นถูกอ่านมั่นเหมาะชัดเจนยิ่งขึ้นและจะรู้จุดผิดพลาดแห่งคํากล่าวหาของคนภายนอกที่เคยพูดว่าชาพุทธได้รับการสั่งสอนให้ทำดีบำเพ็ญประโยชน์เพียงด้วยการนั่งนอนแผ่เมตตาอยู่เฉยๆในห้องหรือในมุงสอง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 จึงจะเป็นไปโดยจริงใจบริสุทธิ์เป็นของแท้และมั่นคงยั่งยืนงานสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าในรูปของทานหรืออัตถจริยาเป็นต้นก็ตามจะเป็นไปจริงจังโดยบริสุทธิ์ใจก็ต่อเมื่อมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจ